ตัต้มๆเลยแะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยสอนไว้ว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในการเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดคนเราเนี่ยทะเลาะ ก, กันเพราะว่าเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดนี่แหละแล้วก็ไม่พูดกัน เหตุผลถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสมมุติไม่ใช่สัจธรรมฉะนั้นอยอดรทมถ้าเราจะใช้เหตุใช้ผลใช้ถูกใชผิดนั้นให้รู้จักกับกาลเทศะบางครั้งก็ใช้ไม่ได้บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ ดูกาลเทศะในการใช้เหตุใจผลใจถูกใจผิดแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่น